2540ไดยเคยตามหลวงพ่อคำเขียนไปอสอนธรนะที่ประเทศอเมริกาคนสอนจริงๆก็คือหลวงพ่อนะส่วนตมมาก็ไปเป็นล่ามก็ได้ไปแสดงทมอยู่หลายเมืองนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็อยู่ที่รัฐนะิวยอร์ก ก็คือที่วัดจวงเหยินเมืองคาเมลก็อยู่ทางเหนือของรัฐนิวยอร์กแล้วก็มีบางช่วงก็ได้มาพักที่วัดจีนในเมืองนิวยอร์กเขาก็เป็นสาขากับวัดจวงเหยินก็มีการแสดงธรรมที่นั่นเป็นครั้งคราวนะที่กรุงนิวยอร์กช่วงที่อยู่ ในรัฐนิวยอร์กแล้วก็เมือง York, นิวยอร์กนี่สองเดือน้ามีแต่ข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องอัจฉากรรมนะในเมืองนิวยอร์กบางทีก็อ่านจากหนังสือพิมพ์แล้วก็บางทีก็มีคนมาเล่าให้ฟังอัจฉากรรมที่นั่นมันเยอะมากเคยมีคุณป้าชาวอเมริกันคนหนึ่งนะก็มาที่วัด แกก็สนใจอยากจะรู้นะว่าพระเราทำอะไรกันเพราะว่าเดนี้ฝรั่งก็สนใจพุทธศาสนาโดยเพราะได้ยินชื่อเสียงกิตติศัพท์ของเทยลลัมมะเขาก็พอรู้ว่ามีพระพุทธศาสนามาอยู่เขาก็มาสนใจไต่าถามแล้วแกก็เลยเล่าให้ฟังเกี่ยวเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ในกรุงนิวยอร์ก ว่ามันอาจจะกรรมเยอะมากนะตัวแกเองก็โดนจี้ไปแล้วนี่สิบกว่าครั้งโดนจี้แล้วจี้อีกนะมันก็ชีวิมัไม่มีสวัสดิภาพเลยออกไปไหนออกจากบ้านกลางคืนนี่ก็อันตรายมากแกเล่าว่าเนี่ยเวลาไปไหนเข้าไปในเมืองนี่ต้องดูทั้งข้างหน้าข้างหลังต้องระวังทั้งข้างๆง เก็ต้องดูข้างบนด้วยนะข้างบนเนี่ยอาจจะเป็นสะพานหรือว่ า, าเป็นสถานีรถไฟ เ, เนี่ยคือเรียกว่ า, าไว้ใจอะไรไม่ได้เลยตอนที่ไปก็มีเรื่องอจักกรรมดังๆหลายหลายกรณีเช่นผู้หญิงไปวิ่งนะตอนเช้าที่เซ็นทรัลพาร์คเสร็จแล้วก็กลายเป็นศพนะ เพราะว่าถูกขมคืนแล้วก็ฆ่าอาคงเหมือนกับเมืองไทยนะบางทีก็ปล้นฆ่าเจ้าทรับ์ตายเอาเงินไปไม่เท่าไหร่ก็ฆ่ากันง่ายๆก็ฟังดูแล้วนี่มันเป็นเมืองที่น่ากลัวทีเดียวก่อนนั้ น, น, นปีสามสี่ก็เคยไปนิวยอร์กก็รู้สึกเหมือนกันว่ามัน ไม่ปลอดภัยเอาเลยพระไทยที่เดินผ่านย่านคนดำบางทีก็โดนโดนปล้นมั่งหรือโดนใครเอาขว้างเอาเอาแก้วเอาขวดมาขว้างหัวแตกก็มีต้องไปเย็บ ก, ก็มีความรู้สึกมาว่าเนี่ยเมืองนิวยอร์กนี่มันอันตรายมากถึงแม้วันจะมีอะไรที่น่าสนใจหลายอย่าง เช่นพิพิธภัณฑ์หรือว่ า, าสวนสาธารณะแต่ว่าถึงตอนนี้นี่มันกลับเปลี่ยนไปนะมันจากความปลอดภัยสวัสดิภาพนี่มันมีเพิ่มขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะจากที่เขาได้พูดกันแล้วก็จากรายงานข่าวซึ่งเมื่อสิกบกว่าปีก่อนนี่ไม่นึกว่ามัน มันจะดีขึ้นได้เลยนะคือเห็นแต่ความเสื่อมของมันแต่ว่าเขาก็รายงานกันว่าเด๋ยนนี้อัจฉากรรมในเมืองนิวยอร์กนี้ลดต่ำลงไปมากาการปน้นจีลดลงอย่างเห็นได้ชัดสถิติขโมยรถนี่มันลดไปถึง90กว่าเปอร์เซ็นต์นะในรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจนะ ก็มาดูไว้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรอัจญากรรมนี่มันลดลงเพราะอะไรอัจฉกรรมนี่มันก็เป็นปัญหาศีลธรรมนะการที่คนป้นจี้หรือว่าข่มขืนฆ่าเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปัญหาศีลธรรมโดยตรงและทำไมผู้คนนี่กลับประพฤติตัวดีขึ้นมันก็มีเหตุปัจจัยอยู่หลายอย่างนะเช่นตำรวจก็ทำงานประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีเทคโนโลยีดีขึ้น แล้วก็มีเหตุปัจจัยอีกหลายอย่างแต่ว่าอันหนึ่งที่มันไม่ได้อันหนึ่งที่ไม่มีส่วนเลยนะไม่มีส่วนที่ทำให้อายกรรมลดลงก็คือว่าไม่ได้มีการเพิ่มโทษคือคนละม o กมีความเชื่อว่าเมื่อมีอายกรรมเยอะๆเนี่ย ถ้าเพิ่มโทษแรงๆเนี่ยมันจะช่วยลดอาชญากรรมได้แต่บอกว่าเหตุประจัต่างๆที่ช่วยทําให้นิวยอร์กมันมีอาชญากรรมลดลงเนี่ยมันไม่มีตัวนี้เลยเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เพิ่มโทษอะไรตำรวจก็อาจจะไม่ได้มากไปกว่าเดิมแต่ว่าก็ทําให้ผู้คนนะประพฤติตัวดีขึ้นเดี๋ยวนี้เวลามีปัญหาอาชญากรรมเยอะๆเนี่ยเรามักจะได้ยินข่าว ผู้คนเรียกร้องให้มีการเพิ่มโทษให้มากขึ้นอย่างเมื่อ2อสามปฎิกาลก็มีการลดลงให้เพิ่มโทษประหารชีวิตนะกับพวกที่อาคมคืนลัก่าหรือว่าคมคืนเฉยๆก็ตามทําไมเขาถึงเรียกร้องแบบนั้นเพราะเขาเชื่อว่ามันจะทําให้อาจา ก, กรรมนี้ลดลงแต่ว่าในหลายเมืองทั่วโลกเนี่ยอาจา ก, กรรมลดลงนี่ไม่ใช่เพราะการเพิ่มโทษ แต่ว่าเพราะเหตุปัจจัยอื่นและที่น่าสนใจคือมันมีปัจจัยหนึ่งที่คนก็ยอมรับว่าเออมันใช่ทั้งที่มันก็ไม่น่าเชื่อนะก็คือว่าช่วงยี่สิปีที่ผ่านมาเนี่ยในกรุงนิวยอร์กเนี่ยเขามีนโยบายอย่างหนึ่งก็คือว่าทำทำให้บ้านเมืองมันมีระเบียบมากขึ้นเช่นลบรอดขี่เขียนในที่สาธารณะเนี่ย ไปนิวยอร์กเนี่ยจะเห็นเลยนะรอยขีดเขียนมันเยอะไปหมดตามบ้านเรือนตามแม้กระทั่งรถไฟฟ้าเนี่ยเขาก็พยายามลดน้ลงนะเพื่อที่จะลบรอยขีดเขียนพวก น, นี้กระจกหน้าบ้านที่แตกกระจกระบ้านที่ร้างสถานที่ร้างแหล่งต่างเขาก็ซ่อมแซมกระจกให้มันดีขึ้นเอากระจกใหม่มาเปลี่ยนทําความสะอาดให้มากขึ้นแล้วก็ไอความผิดเล็กๆน้อยๆเขาก็ต้องกวดขันมากเช่นขึ้นรถไฟไม่จ่าย ไม่จ่ายตังค์ก็ก็ปรับพอทำให้สิ่งแวดล้อมมันมีระเบียบมากขึ้นลดท้องมีความสะอาดมากขึ้นเนี่ยปรากฏว่ามันช่วยลดอาจจากกันไปได้นะตอนทั้งที่ดูเหมือนว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันเลยแต่ว่าวิธีนี้เข้าไปใช้หลายในหลายที่นะเพราะว่ามันได้ผลนะ ที่กรุงลอนดอนเนี่ยนะมันมีย่านคนจนอยู่ย่านหนึ่งอัจกรรมเยอะมากแล้วก็มีการทดลองเลือกเอาย่านหนึ่งเอาเลือกเอาถนนเส้นหนึ่งนะซึ่งอยู่ใกล้ๆกันทางประมาณเอาถนนย่าน2ย่านที่อยู่ใกล้ๆกันห่างประมาณ2กิโลถนนเส้นหนึ่งก็ปล่อยไปยังไงก็อย่างนั้นไม่ได้ทําอะไรไมากถนนอีกเส้นหนึ่ง เขาก็ทำความสะอาดเก็บขยะทุกชิ้นลบรอยขีดเขียนในที่สาธารณะปลูกต้นไม้ริมทางเดินรดน้ำทุกวันแล้วก็ไฟฟ้าที่มันแตกก็ซ่อมป้ายที่มันแตกหักก็เปลี่ยนใหม่เช่นพ ป, ป้ายพวกป้ายจราจรอะไรพวกนี้โคมไฟก็ทำให้มันสว่าง เขาทำแบบนี้โดยที่ไม่ได้บอกใครนะไม่มีการป่าประกาศแต่คนที่อยู่นั่นก็สังเกตได้เองว่าให้มันเปลี่ยนไปบอกว่าพอเวลาผ่านไปหนึ่งปีเนี่ยพบว่าอาจจะ ก, กรรมในถนนเส้นนั้นเนี่ยมันลดลงไปห้าสิบอร์เซ็นอีกเส้นหนึ่งเนี่ยที่ปล่อยคาไว้นี่ก็ยังเหมือนเดิมแต่เส้นที่ก็มีการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ทำความสะอาดให้มีขึ้นทำให้มันเป็นระเบียบ ก, ก็มีคําอธิบายไว้มันมันเกิดขึ้นได้อย่างไรมันช่วยลดอาจฉาิกรรมได้อย่างไรนะก็มีคนอธิบายว่า เ, เป็นเพราะว่าพอทําบ้านเรือนชุมชนให้สะอาดนะลบรอยขีดเขียนซ่อมแซมกระจกหน้าต่างหรือว่าไอ้โคมไฟเนี่ย มันก็เป็นการส่งสัญญาณให้ผู้คนได้รู้ว่าชุมชนนี้มันมีความ ม, มีคนใส่ใจดูแลคือค่อนมีความเชื่อว่าคนที่ก่อหยากรำเนี่ยมันเริ่มต้นจากความคิดว่าจะทําอะไรก็ได้กูจะทําอะไรก็ได้ไม่มีใครสนใจกูจะขี่เขียนอะไรก็ได้กูจะเอาก้อนหินคว่างปลากระจกก็ได้ไอ้ความคิดแบบนี้แหละมันทําให้เหินเกริมอุกอาจ กล้าทำชั่วหนักขึ้นจนกระทั่งปนจีแล้วก็อาจจะฆ่าเลยนะมันเริ่มต้นจาก ก, การทําผิดกดเกเล็กๆน้อยๆแล้วมันก็เกิดกำเริบขึ้นมาแต่ว่าพอทําความสะอาดให้กับชุมชนเนี่ยทําทําชุมชนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยมันก็ทําให้ผู้คนเกิดความยับยั้งชั่งใจว่าเอชุมชนนี้มันมีคนดูแลนะเราจะทําอะไรตามอําเภอใจไม่ได้นะ มันก็ช่วยทำให้อาจกรรมเล็กๆน้อยๆเนี่ยหรือว่าคนที่คิดอยากจะทำอะไรตามใจที่เป็นการก่อความวุ่นวายกับผู้คนก็เกิดขึ้นได้น้อยลงนะนการมันก็เป็นการชี้เห็นว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะถ้าเราทำให้มันดีมันก็สามารถจะช่วยทำให้คนเนี่ยนะประพฤติตัวดีได้ เ้าเคยมีการทดลองนะเอารถคันหนึ่งเนี่ยไปวางไปจอดทิ้งไว้ในย่านย่านหนึ่งย่านของคนพอมีฐานะาหน่อยนะจอดทิ้งไว้หนึ่งอาทิตย์ไม่มีใครแตกต้องเลยนะืมอเหมือนกับไปจอดไว้แถวย่านบร็องในนิวยอร์กเนี่ยไม่ถึงวันไม่ทันข้ามวันเนี่ยกระจกรถก็แตกนะคนก็เข้าไปลื้อค้นเอาของเนี่ยอันนั้นคือย่านคนดำ ที่ยากจนแต่ว่ายาติคนที่มีฐานะจอดรถทิ้งไว้ห น, หนึ่งหนึ่งอาทิตย์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พอคนทดลองเนี่ยเริ่มแกล้งไปตีกระจกให้แตกพอตีกระจกลบแตกเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการส่งสัญญาณเชิญชวนคนอื่นให้ให้มาให้ม า, มาลุมสักกรำบ้างนะเฮ้ยเขาทําได้ฉันก็ทําบ้างสิคราวนี้ก็เข้าไปค้นไปกล้นเอาเบาะมั่งเอาพวงมาลมัยบ้าง เอาอะไรต่างๆออกมาบ้างนะก็กลายเป็นว่าในสุดลดไม่เหลือเลยเลยนะในเวลาแค่ไม่ถึงสองสาวันหลังจากที่ทุบ ก, กระจกแตกคือไอ้ความไม่เป็นระเบียบหรือว่ากระจกแตกก็ดีความสกรปรกในชุมชนก็ดีหรือว่าไอ้รอยขีดเขียนเนี่ยมันเป็นการส่งสัญญาณให้คนเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าจะทำอะไรก็ได้ไม่มีใครแคร ให้ความคิดแบบนี้แหละที่มันนําไปสู่อาชญา ก, กรรมที่รุนแรงมากขึ้นอาที่นิวยอร์กเขาก็ใช้วิธีนี้ น, นะเขาก็พยายามนะทําให้ชุมชนเป็นระเบียบมากขึ้นซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะนิวยอร์กมันใหญ่มากแต่เขาก็ทําจริงจง ก, ก็บอกว่ามันก็มีส่วนช่วยในการลดอาชญา ก, กรรมได้ไม่ต้องเพิ่มโทษนะให้รุนแรงไม่ต้องใช้อาชญา มันทำให้นึกถึงนึกถึงเรื่องในในพระไตรปิฎกนะมีพระสูตรหนึ่งชื่อว่ากูตะทานตสูตรอันนี้พระเจ้าเล่าเองว่าเป็นเป็นเรื่องเลยนะพระองค์เล่าว่ามีเมืองเมืองหนึ่งเนี่ยพระราชามีความปริวิตตกมากว่าผู้คนเนี่ยมีเรียกว่ามีโจรผู้ร้ายเยอะมากทั้งปลทั้งค่า บ้านเมืองนี้มีเสี่ยนหนามพระราชาก็เลยปรึกษาปุโรหิตว่าจะทํำยังไงดีถึงจะลดอาจฉรกรรมลดโจนผู้ร้ายในความคิดของพระราชาคือว่าจะต้องเพิ่มโทษให้มากขึ้นจับได้ประหารชีวิตเลยตัดคอหรือไม่ก็ทรมานหรือไม่ก็ปรับแรงๆนะแต่ปุโรหิตนะคัดค้านแล้วก็บอกว่าวิธีเนี้ยขืนทําไปนี่จะทําให้ โจรเนี่ยมันมากขึ้นมาไม่ได้ลดลงเลยแล้วปุโรหิตก็เสนอว่าเอาใช้วิธีนี้เถอะนะข้อแรกคือว่ า, าให้มเมล็ดพันธุ์กับชาวนากับเกษตรกรให้ทั่วถึงนะนะทั้งแผ่นดินเลยนะเพื่อให้เขาได้มีการทำมาหากินได้สะดวกขึ้นอันที่สองให้เงินทุนนะกับพ่อค้าวา น, นิชเพื่อเป็น อ่าทุนในการค้าขายอันที่สามนี่ก็ให้เงินให้เบีย้ยววัดกับข้าราชการไม่ให้ขาดนะไม่ให้ขาดตกปกคร่องถ้าทำได้อย่างทั่วถึงเนี่ยก็จะลดปัญหาผู้ร้ายได้พระราชาก็เชื่อนะแล้วก็ทำตามบอกว่าในที่สุดนะโจรผู้ร้ายมก็หายไปไม่ถึงกับหายแต่มาลดลงผู้คนก็อยู่อย่างมีความสุขในปยพัตรัยพิศก็รลา ว, วัานเนี่ยผู้คนเนี่ย ไม่ต้องปิดบ้านนะไม่ต้องลงกล น, นะแม้กระทั่งเด็กก็มีความสุขครอบครัวก็มีความสุขท่านอธิบายว่าเนี่ยเด็กนี่ฟ้อนอยู่ในอกแม่คือคนมีความสุขนะนห้เห็นได้ว่าพรามเนี่ยไม่ได้ใช้ไม่ได้เสนอให้ใช้ความรุนแรงไม่ได้ใช้อาชญานะอันนี้ก็ที่พรามพูดอย่างนี้เนี่ยจริงๆก็คือเป็ น, เ ป, นเป็นการพูดแทนพระพุทธเจ้านะ พระเจ้าต้องการสอนโดยการอาศัยเรื่องของเนี้ยอาศัยเรื่องราวของพรามคนเนี้ยบุโรหิตคนเนี้ยเพื่อมาสอนว่าให้การแก้ปัญหาอัญญากรรมหรือการทำให้คนนะมาเพื่อตัวมีศีลธรรมเนียมันไม่ไต้องใช้อาชญาหรืออำนาจนะแต่ว่าใช้วิธีการกระจายพกทศัพ์ให้ทั่วถึงเพื่อให้คนนะมีอยู่มีกิน แล้วก็น่าสังเกตว่าพราะองค์อพรมณ์ น, นี่ก็หรือปุรหิตนี่ก็ไม่ได้เสนอให้ให้เทศให้สอนเยอะๆนะไม่ได้เทศไม่ได้เสนอว่าถ้ามีการเทศสอนศีลธรรมเยอะๆไม่มีเรื่องนี้เลยคือเวลาเกิดปัญหาอัจรกรรมขึ้นมาเนี่ยนะเรามักจะพบว่ามีคนมีสองวิธีที่คนเสนอวิธีแรกคือว่าให้พระนี่มาสอนศีลธรรมให้มากขึ้นนะ มีคนเสนอว่าให้พระเนี่ยไปสอนไปเทศในสภาเพราะสภ า, า, สภ า, ามีคอร์รัปชันมากให้ไปเทศไปสอนตามย่านชุมชนย่านคนจนให้คนมันมีศีลธรรมมากขึ้นอีกวิธีหนึ่งที่สุดตรงไปอีกทางนึงคือบอกว่าเพิ่มโทษให้มันรุนแรงมากขึ้นโทษประหารชีวิตเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีวิธีที่เรียกว่าเป็นทางสายกลางก็ได้คือไม่ยังเป็นต้องใช้อํานาจใช้ความรุนแรง แล้วก็ไม่เป็นต้อง อ, อัดศิลธรรมเข้าไปด้วยการเทศด้วยการสอนแต่ด้วยการทําให้สิ่งวัตล้อมมันดีพอสิ่งวัตล้อมมันดีนะมันก็เหมือนกับเป็นการปล้องปรามให้คนเนี่ยาทาตามอําเภอใจน้อยลงรู้จักยับยั้งชังใจมากขึ้นซึ่งอันนี้แหละที่มันจะเป็นปัจจัยทําให้คนมีศิลธรรมได้เรื่องแบบนี้นี่บางทีชาวพุทธเราก็ยังเข้าใจกันน้อยนะ เพราะว่าเอไออะไรก็ให้สอนศีลธรรมอย่างเดียวหรือไม่ก็ให้ใช้ความรุนแรงไปเลยโดยเพราะเรื่องการให้เพิ่มโทษประหารชีวิตนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าต้องระวังนะเพราะว่าอนการประหารชีวิตก็คือปานาติบาตอย่างหนึ่งนะชาวผู้ร้องไม่ควรสับสนปานาติบาตอยู่แล้วแม้ว่าจะเจตนาดีก็ตามนะ แต่ว่าการสรับสนปานติบาสนี่มันก็มันก็ไม่ใช่สิ่งที่ชาวพุทธเราควรจะทำอันนี้มันก็รอนแลมด้วยนะพระพุทธเจ้าเคยตรัสว่าเนี่ยคนที่จะไปนรกเนี่ยนะสิ่งที่ทำให้คนไปนรกได้นี่ก็ได้แก่บุคคลที่จะไปนรกได้เนี่ยได้แก่หนึ่งคนที่ลงมือฆ่าสองคนที่ชักชวนให้ผู้อื่นฆ่าสาคนที่ ยินดีในการฆ่าสี่คนที่สารเสวนการฆ่านะให้การชี้ให้คนให้มีโทษประหารชีวิตเนี่ยมันก็เสี่ยงเสี่ยงต่อข้อที่สี่อยู่แล้วนะคือสารเสวนการฆ่าแล้วมิตชาวพุทธเราก็นะเราอยากจะให้บ้านเมืองมีศิลธรรมแต่ว่าวิธีการที่เราเสนอเนี่ยมันไม่ใช่วิธีการที่สอดคล้องกับศิลธรรมเลยนะเพราะว่าไอ้การฆ่าเนี่ยมันมันไม่ใช่สิ่งที่ ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาอยู่แล้วแม้แต่สั่งให้ฆ่านี่ก็ก็ไปนรกได้นะอันนี้คือเหตุผลที่พัตเตมีเนี่ยพระเตมีเราคงรู้จักพระเตมีนี่เกิดมาเนี่ยพอเป็นเด็กเนี่ยก็รู้ว่าพระเตมีนี่เป็นลูกกษัตริย์แล้วก็จะได้ครองราชแต่พออยู่ได้ไม่นานเนี่ยพอรู้ความเนี่ยแกก็เกิดนิมิตนะ ไม่ใช่นี้ไม่คื อ, อยะระลึกชาติได้แล้วก็เพราะว่าตัวนี้เคยตกนรกเพราะว่าเคยเป็นพระราชาเป็นพระราชาแล้วก็สั่งประหารผู้คนพอรู้เชนนี้ก็เลยกลัวไม่อยากเป็นพระราชาก็เลยแกล้งทําเป็นใบเป็นพิการไปจึงเรียกว่าเตมีใบนะพราะเตมีนี่เป็นพระโพธิสัตว์นะหนึ่ยยงในทศชาติพระเตมีแกล้งทำเป็นใบเพราะไม่อยากเป็นกษัตริย์เพราะรู้ว่าถ้าเป็นกษัตริย์แล้วเนี่ย อาจต้องตัดสินประหารชีวิตคนซึ่งจะทําให้ตกนรกนะก็เลยไม่กล้าไม่อยากแก้งทําเป็นแก้งทําเป็นใบนะจนกระทั่งพระราชาเอาไปฆ่าเอาลูกไปฆ่านะเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์แล้วแต่ว่ารอดได้นะเพราะฉะนั้นเรื่องการการจะสาบสูญโทษประหารชีวิตนี่ใครก็จะทำแล้วก็ให้เขาทาไปนะแต่ว่าเราชาวพุทธต้องระมัดระวัง เพราะวันมันไม่ใช่วิสัยของชาวครูจะไปสามส่วนการทําปาณาติบาตแม้ว่าเจตนาจะดีก็ตามและในความเป็นจริงมันก็ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหามันมีวิธีแก้ปัญหาโดยที่ไม่ต้องใช้อาัดยาไม่ต้องใช้ความรุนแรงก็ได้อย่างที่อย่างเรื่องที่เล่ามาทั้งในประไตรปิฎกก็พูดถึงแล้วก็ทั้งในความเป็นจริงนะมันก็มีหลายประเทศที่เขาอยู่กันได้อย่างสงบสุขนะ โดยที่ไม่ต้องมีโทษประหารชีวิตแล้วก็ก็เป็นประเทศซึ่งหรือเป็นเมืองซึ่งก็อาจจะไม่ได้นับถือาศาสนาใดาศาสนาหนึ่งเลยกดเลยซ้ํำแต่ว่าเขามีความเข้าใจในเรื่องเรื่องมนุษย์นะว่าให้การที่คนเรานี่จะมีศีลธรรมได้นี่มันต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างรวมทั้งปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมนี่สําคัญมากนะพรา เ, เจ้าก็ให้ความสําคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเยอะ แม้กระทั้งคนที่อยากจะทําความดีเช่นเป็นนักปฏิบัติธรรมเนี่ยคนที่เป็นนักปฏิบัติธรรมเนี่ยกูจ้า ก, ก็ยังบอกเลยว่าเนี่ยต้องรู้จักเลือกสถานที่เลือกสิ่งแวดล้อมที่ดีท่านใช้คำว่าสัปเะยะสัพเยะเนี่ยสำหรับผู้ที่ฝ่ายการเจริญภาวนาเนี่ยเป็นสัพเยะด้านสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่เช่นสถานที่นะอาหารอากาศ แล้วก็ทางโคจรทางโคจรคือเส้นทางบินธบาติรวมทั้งบุคคลแวดล้อมด้วยนะบุคคลสัพพายะอาหารสัพพายะอุตตุสัพพายะนะนะเพียงความตั้งใจเเดียวนี่ไม่พอต้องอาศัยสิ่งว่าล้อมด้วยสิ่งว่าล้อก็ช่วยก่อบกู้ให้การปฏิบัติได้ดีการทําความดีต้องอาศัยสิ่งว่าล้อมเหมือนกันนะคนเราจะทําความดีได้เนี่ยบางทีมันก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมด้วย เขาเคยทดลองให้ให้คนหนึ่งเนี่ยนั่งอยู่ในอยู่ในห้องคนเดียวแล้วห้องข้างๆเนี่ยก็แกล้งเหมือนก็ว่ามีคนกําลังกําลังจะป่วยร้องโหยหวนเหมือนกับว่าจะเป็นลมหรื อ, อยังไงเนี่ยนะไอ้คนที่อยู่ในห้องอีกห้องหนึ่งเนี่ยถ้าอยู่คนเดียวนะเขาจะเขาจะดูเขาจะดูพฤติกรรมว่าไอ้คนที่อยู่ในห้องเนี่ยจะทำจะจะจ ะ, จะทำอย่างไร ถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยประมาณ 80% จะรีบไปบอกเจ้าหน้าที่ว่าเกิดมีคนป่วยอยู่ในห้องข้างๆแต่ถ้าอยู่กับหลายคนนะเปอร์เซนต์จะลดลงหรือเหลือแค่ไม่ถึง 40% ถ้าอยู่กับหลายคนเนี่ยไม่ถึง 40% จะไปบอกเจ้าหน้าที่ว่าเกิดคนป่วยขึ้นมาหรือบางทีก็แกล้งทําเป็นจุดไฟให้มันมีควันออกมาจากในห้องแล้วใ ห, ให้ปล่อยให้คนเดินผ่านถ้าคนที่เดินผ่านแล้วเห็นควันไฟมันออกมาจากห้องเนี่ย ถ้าเดินคนเดียวเนี่ยเกือบแปดสิเอร์ซจะรีบไปบอกเจ้าหน้าที่คือเป็นพลเมืองดีแต่ถ้าเดินกัเป็นกลุ่มนะมันลดลงไปเลยนะเหลือไม่ถึงสี่สิเอร์เซนตนี้มาแสดงเห็นว่าคนเรานี่จะทำความดีหรือไม่มนี่ก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมหรือบริบทด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่อันนี้มันเป็นเป็นเรื่องที่เราต้อง ต้องใส่ใจนะเวลาเราจะเวลาเราจะส่งเสริมให้คนทําความดีนะก็อย่าคิดแต่เพียงการเทศการสอนแต่ต้องนึกไปถึงเรื่องการทําให้สิ่งว่าล่อมมนเกือกกลุ่นต่อการทําความดีหรือว่าเช่นส่งเสริมให้คนอยากทําความดีหรือว่าคอยป้องปรามยับยั้งไม่ให้คนเนี่าทำตามอําเภอใจการสอนเด็กการสอนการสอนลูกสอนหลานเนี่ยหลายคนเนี่ย คนที่เป็นพ่อแม่หรือทั้งครูด้วยเนี่ยจานวนไม่น้อยเนี่ยมักจะให้ความสำคัญกับการการพูดการสอนการสอนด้วยคําพูดแต่ก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำพูด ม, มีมีผลน้อยมากในการปฏิบัติตัวของพ่อแม่หรือการปฏิบัติตัวของครูเนี่ยสำคัญกว่าอย่างเช่นเขาให้ทําให้ให้เด็กเนี่ยเล่นเกมแล้วก็มีรางวัลเป็น เป็นของเล่นหรือเป็นเงินหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นผลตอบแทนแล้วก็ดูว่าเด็กเนี่ยจะเอาผลเอารางวัลเนี่ยเอาไปแบ่งกันไหมหรือว่าเก็บคนเดียวแล้วก็ดูยังไงนะเขาก็สังเกตได้จากการที่พ่อแม่หรือครูเนี่ยสมมุติว่าได้ได้ทำเล่นเกมเดียวกันแล้วก็พอได้ของมาถ้าพ่อแม่เนี่ยได้ของมาแล้วพ่อแม่ก็ไปแบ่งหรือครูได้ของมาแล้วครูก็ไปแบ่ง เด็กนักเรียนหรือลูกก็จะทําตามโดยที่ไม่จําเป็นว่าพ่อแม่หรือครูนี่จะต้องพูดว่าเนี่ยเธอต้องแบ่งกันนะไม่จําเป็นเลยตรงข้ามซึ่งนะคนที่บอกว่าครูหรือพ่อแม่ที่บอกว่าต้องแบ่งกันนะแต่ตัวเองไม่แบ่งตัวเองเนี่ยกลับเก็บไว้กินคนเดียวปอกก็ว่าเด็กเนี่ยมันก็ทําตามทําตามการกระทําของพ่อแม่นะหรือครูก็คือเด็กก็ไม่ ไม่เอื้อเฟือเหมือนกันเด็กก็เห็นแก่ตัวจทั้งที่พ่อแม่บอกครูบอกว่าแบ่งกันนะแต่พฤติกรรมมันไม่แบ่งเนี่ยเด็กมันก็ไม่แบ่งมั่งหรือว่าพ่อแม่ที่บอกว่าให้ลูกต้องเก็บนะให้ลูกเราต้องคิดถึงตัวเราเองนะแต่ว่าพฤติกรรมของพ่อแม่หรือครูเนี่ยแบ่งเด็กมันก็แบ่งเหมือนกันนะทั้งที่พ่อแม่พูดอย่างหนึง่งนะ แต่ว่าทำอีกแบบนึงก็คือพูดว่าเราต้องเก็บของเราไว้นะแต่ว่าพฤติกรรมของพ่อแม่เป็นการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ครูก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เด็กก็ทำตามการกระทาของพ่อแม่และครูไม่ใช่ทําตามคำพูดนะแต่ทําตามการกระทำเรื่องสิ่งแวดล้อมนีม่สำคัญมากสิ่งแวดล้อมที่ทำเป็นแบบอย่างไม่ใช่ด้วยคำพูดนะ เดี๋ยวนี้เราเป็นในเรื่องการเทศการสอนด้วยคําพูดมากจนมองข้ามการทําตัวให้เป็นแบบอย่างหรือว่าการทำเสียงว่าล้อมให้เกื้อกูนแล้วความหมายของกัลยาณมิตรเนี่ยคื่อนเนี่ยกัลยาณมิตรหรือปรตโตโคสะตที่พรจ้าตรัสว่าเนี่ยมันคือทั้งหมดของพรหมจรรย์นะกัลยาณมิตรพระผู้เจ้าตรัสกับพระอนุลว่ากัลยาณมิตรคือทั้งหมดของพรหมจรรย์นเนี่ยส่วนหนึ่งมันก็มันก็มีความหมายแบบนี้แหละ ก็คือว่าถ้าถ้ามีไกล่ยนิมิตรดีนะเช่นพ่อแม่เป็นไกล่ยนิมิตดีของลูกครูเป็นไกลยนิมิตรของลูกศิษย์เด็กเขาก็จะซึมซับเอาการกระทำํำเอาความมีน้ําใจเอาคุณธรรมนะของพ่อแม่ของของครูไปโดยที่บางทีครูไม่ต้องพูดนะพ่อแม่ไม่ต้องพูดอันนี้สิ่งแวดล้อมเนี่ยมันไม่ใช่แค่คนนะแต่จะรวมถึง อันเนี้ยดอกต้นไม้นะตึกรามบ้านช่องนะถ้ามันมีระเบียบนะมันไม่มีขยะมันไม่มีการเขียนป้ายในที่บนกำแพงหรือว่าไม่มีการควางปากระจกตกแตกเนี่ยบรรยากาศมันดีเป็นระเบียบมันก็น้อมใจคนให้อ่ อยากจะทำความดีหรือไม่กล้าทำความชั่วเพราะว่าอาจจะรู้สึกเกรงใจหรือเพราะรู้สึกว่าชุมชนนี้มันมีความใส่ใจฉนั้นถ้าเราทำนี้ให้มันเป็นทั้งประเทศเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้อาจารย์กรรลดลงได้ไม่น้อยทีเดียวนะโดยที่ไม่เป็นต้องไปใช้ความรุนแรงไปใช้การเพิ่มโทษอย่างที่หลายๆคนเขาเรียกร้องหรือสนับสนุน ก็พูดเรื่องนี้นะเพราะว่ามันก็เป็นปัญหาศิลธรรมนะทีอ่อาจจะเป็นเรื่องที่เราต้องใส่ใจนะเราทําดีอย่างที่ไม่พอเราก็ต้องส่งเสริมให้คนทําความดีด้วยไม่ใช่แค่ลูกแค่หลานแต่คนในชุมชนในสังคมจะทําดีได้อย่างไรเนี่ยมันก็อยู่ที่เราเข้าใจาว่าคนเราเนี่ยมันได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้างด้วยนะ บางทีการใช้การใช้วิธีการที่นุ่มนวลแต่ค่อยๆซึมซับมันดีกว่าการที่ใช้ความรุนแรงจะได้ผลชั่วคราวแล้วก็เกิดปัญหาตามมาอีกมากมายเอาละคำที่กำลพูดกันเท่า น, นี้อะจ้าค